ถ้ามีทำสองประการนี้กำกับใจและกำกับงานส่วนมากที่ทำตัวผิดพลาดและผิดพลาดจนเลยขอบเขตแก้ไขก็เพราะทำตามความอยากของกิเลสตัณหาตัวพาให้ตาฝ้าฟางเสียมากต่อมากเวลาผิดและได้รับทุกทนต่างๆแล้วก็มักไปโทษให้ผู้อื่นและโทษให้ดินฟ้าอากาศเพื่อเป็นการออกตัวทั้งที่ไม่ใช่ทางออกอันชอบทำเลย การยอมรับผิดและแก้ตัวในทางที่ถูกที่ดีต่างหากเป็นทางให้คนอื่นเห็นใจสงสารและเป็นทางบรรเทาทุกข์ทางพ้นจากความผิดและโทษธรรมต่างๆได้หลาะหลานกวนสาไวไว้ด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปตามคราวตามสมัยคือสมัยนี้โลกเจริญทางด้านวัตถุและอารมณ์เครื่องโยโยนใจที่ชอบสาะแสวงอยู่แล้วจึงเข้ากันได้อย่างสนิทติดจมไม่มีวันอิ่มพอโลกเจริญนั้นผิดกันกันกบธรรมเจริญ โลกเจริญคนมีความทุกข์มากไปตามความเจริญของโลกคำว่าโลกเจริญกับกิเลสเครื่องก่อทุกข์เจริญมันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นโลกเจริญฉะนั้นโลกเจริญมากเพียงไรคนจึงได้รับทุกข์มากเพียงนั้นคำว่ากิเลสกิเลส น, นั้นคือสิ่งสุปรกปรกรกครุงลังและกดทวงบีบบังคับจิตใจสัตว์โลกการบีบบังคับให้สัตว์โลกแสดงออกทางถารหรือการกระทาต่างๆตลอดผลผลิต จึงเป็นทุกข์แก่สัตว์โลกอย่างแยกไปออกส่วนมากถาลกเจริญทำมักเสื่อมหรือทำเสื่อมจากจิตใจคนความประพฤติการแสดงออกเป็นรูปหลุมดอนๆต่อความถูกต้องดีงามผิดกับทำเจริญในใจคนอยู่มากคำว่าทำเจริญนั้นมิได้หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนการท่องบนจดจำทาได้มากแม้จาได้กระทั่งพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นที่ิเจะยึดอานาจ นำความรู้ น, นั้นมาเป็นเครื่องมือแสวงผลประโยชน์เพื่อมันจนได้ถ้าไม่มีภาคปฏิบัติธรรมตามที่ศึกษาจดจํามาเคลือบแฝงอยู่และเป็นคู่เคียงกันไปคําว่าทําเจริญ น, นั้นจเจริญที่ใจของผู้ประพฤติธรรมใจมีฮิริโอตตะปะสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมอัลามกไม่ชินชาไม่สนิทติดใจในบาปว่าจะพาให้ดีวิเศษวิโสใดๆความประพฤติการกระทํามีขอบเขตเหตุผลในสิ่งที่ควรหรือไม่ควร จิตใจมีความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยกันไม่ดูถูกเจตียมไม่กดขีข่มเหงไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คดโกงรีดไถยรู้ใจท่านใจเราสมบัติท่านสมบัติเราไม่รวงล้ากั้ำก ล, ำลายสมบัติและจิตใจของกันละกันการงานเพื่อโทนส่วนรวมก็สะอาดสุดจริตผลกุบเกิดขึ้นก็สมบูรณ์ไม่รั่วไหลแตกซึงปฏิบัติได้พีงที่กล่าวมาก็เรียกว่าทัาเจริญในหมู่ชน สังคมย่อมสงบเย็นทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยเมื่อต่างคนต่างสนใจบำรุงรักษาปฏิบัติธรรมขึ้นที่ใจไม่ปล่อยประละเลยดังที่เป็นและเห็นเห็นกันอยู่คำว่าโลกเจริญตามความนิยมนั้นมันเจริญด้วยความโลภความอยากได้ไม่มีอิ่มพอเหมือนไฟได้เชือ้อซึ่งสุดท้ายก็เผาตัวเองนั่นแลก่อนอื่นเจริญด้วยความโกรธผูกอาฆาตมากร้ายหมายจองเวรเจริญด้วยราคาตันหาความคึกขนองน้ําร้นฝั่ง ม, มีความพอดีเป็นฝั่งเป็นฝาปิดกั้นไว้บ้างเลยจเจริญด้วยความรุ่มหลงอันเป็นรากฐานแห่งความประมาทไม่มีประมาณว่าจะรู้สึกตัวเมื่อไรคําว่าทําเจริญตามความนิยมและยอมรับของปรานนั้นหมายถึงความจเจริญทางใจใจมีความยุติธรรมทั้งแก่ตนและผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ลำเอียงอันเป็นการบิดเบือนความจริงผู้มีธรรมเจริญภายในใจย่อมสงบเย็นมีฝั่งมีฟ้ามีกฎเกณฑ์ด้วย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 ตอบมันเรื่องน่าอับอายปู่ไม่อยากเล่าทําไมขายหน้าเขาก็อาจขายหน้าตัวเองแม้เราจะเป็นคนดีตามจาริตประเพณีของโลกอยู่ก็ไม่น่าจะพ้นมนตินโทษไปได้ปู่จึงไม่อยากเล่าดีไม่ดีปู่กับกลูกหลานที่กำลังนั่งฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้อาจเกิดความรู้สึกสลดสังเวชใจขึ้นก็ได้และอาจคิดว่าปู่จนตรอกจึงออกบวชไม่ได้ออกบวช ด, ด้วยความสมัครใจมาแต่ต้นผลจากการฟังก็จะไม่เป็นมงคลแค่ลูกหลาน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 แต่การทำมาหาเลี้ยงครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่อยากให้เป็นขาดขาดเคิ้นเคินซึ่งทำให้ปู่คิดสงสารครอบครัวอยู่ไม่ไายจึงคิดและตัดสินใจลงไปรับจ้างทานาทางภาคกลางพอได้เงินแล้วก็กลับมาบ้านแต่เจ้ากรรมมาเจอมีเมีชู้ตอนนี้ปู่เกือบเสียคนไปทั้งคนยังไม่ขาดฝันถามเสียคนอย่างไรปู่ตอบก็มาเจอมีกาลังเริงรักหักสวัสด์อยู่กับชายชู้อย่างตำตาละสิหลาน ใครจะไปทนได้ปู่จึงเกือบเสียคนไปคือขณะนั้นเองขณะที่ปู่แอบด้อมมาดูตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเวลางี่เงียบดึกสงัดพร้อมกับดาบอันคมกริบอยู่ในมือเงือเงือด ด, ดาบสุดแรงเกิดจะฟาดฟันลงให้ขาสบ้านไปทั้งเมียทั้งชายชูแต่เผอิญชายชูมองเห็นก่อนยกมือขึ้นไหวปู่จนตัวสัน่นเทาขอชีวิตชีวาไวพร้อมทั้งยอมสารภาพความผิดที่ทาลงไปทุกอย่าง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 ด้วยความลามกจกเปรดนี้เป็นอันขาดแม้จะทุกข์เพราะอะไรก็ยอมทุกข์ขลันแต่อย่าไปเสี่ยงทุกข์กับมหันตทุกข์นี้เป็นอันขาดปู่ขอห้ามอย่าพากันฝืนเด็ดขาดจนวันตายจากการระหว่างผัวเมียที่ทําท่านกล่าวไว้ว่ากาเมสษมิจฉาจารนั้นเป็นบาปหนักปู่เชื่อประ่อจากใจปู่เองเพราะมหันต์ทุกข์จริงๆฝ่ายที่ทำลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหลเป็นผู้ทํากรรมหนักที่สุดไม่มีอะไรรับไว้ได้จะว่ากรรมหม่อนนรกแตกก็ไม่ผิด ปู่เชื่อธรรมข้อกามเมีสุมิชฌาจารย่า์ถึงใจแต่บัตันมาจึงรีบบอกลูกๆห ล, ลานอย่าพากันคิดขนองหารทำเป็นอันขาดจงสุขจงทุกข์เป็นละตายไปด้วยความซื่อสัตย์จริตจงรักพักดีต่อกันจนถึงวันอวสานต่อกันเถิดชื่อว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันโดยทำแท้ที่เราให้หลานฟัง ก, ก็เพื่อเป็นคติเตือนใจเท่านั้นไม่งั้นปู่จะเล่าให้เสียน้ำลายทำไมถามน่าสลดใจมากฟังเรื่องปู่แล้ว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 ถ้าบวชตามแบบพระพุทธเจ้าและสามวกรท่านก็ยากลำบากปู่อยากพูดเต็มปากว่าไม่มีอะไรยากลำบากเกินงานของพระเลยถามทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่โลกเขามาพบคุยกันถึงเรื่องงานการต่างๆของโลกใครพูดออกมาก็น่าฟังพอๆกันว่ายากความลำบากไม่มีแม้ผู้เดียวว่าง่ายว่าสบายเลยแต่แล้วงานของพระเป็นงานอะไรกันจึงยากลำบากจนไม่มีอะไรเทียบเเล่าละปู่ตอบ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 การนอนมากมันเป็นเครื่องเสริมทําให้เจริญรุ่งเรืองภายในใจเมื่อไหร่นอกจากมันเสริมกิเลสราคะตัณหาให้มีกําลังกล้าพาวิ่งพาเหาะพาบินไปทั่วโลกทินแดนเพื่อหาตู้มีอย่างเดียวแบบหมุนติ้วเป็นกงจักอะไรห้ามมายอมอยู่เท่านั้นมันจะเป็นสุขสบายเป็นสวรรค์วิมานเพราะการกินมากนอนมากอะไรกันอย่าพากันคิดผิดจากครองธรรมไปศิลานการมองการแบบนั้นมันมองด้วยสายตาโลกสายตากิเลส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 ทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวมันเป็นเรื่องของกิเลสมีราคะธนหาเป็นต้นไหวตัวเพื่อทำลายเราทั้งสิ้นเมื่อขฆาศึกประจ น, น้าอยู่ทุกอิริยาบถและทุกอาการที่เคลื่อนไหวของจิตเช่นนี้นักบวชคือนักรบศิทถาคตรูปใดองค์ใดจะยอมตัวล้มนอนคอยให้กิเลสสับยำขยำเป็นอาหารอันอร่อยกินเลี้ยงกันเหล่านักบวชทุกศิทธิาคตต้องเตรียมรวดลายคอยรับคอยรอบฆาศึกด้วยความเพียร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 หลังจากกำชัยได้โดยเด็ดขาดไม่มีชิ้นต่อโดยประการทั้งปวงแล้วบวชแบบนี้ต้องทุกข์ลาบากด้วยกันนอกจากบวชแบบหมูขึ้นเขียงให้กิเลสับยำนั้นอาสบายอยู่บนเขียงขณะที่มีดหันยังไม่มาถึงหลังหมูแต่พอมีดหันมาถึงแล้วหลานคิดเอาเองก่อนแล้วกันปู่ ม, มันแก่แล้วอธิบายมัได้ละเอียดละออนักแหละถามโอ้โหการบวชนั้นมันยากลาบากถึงขนาดนี้เจ้าหลวอปู่แล้วหลานนึวกว่าบวชแล้วสบาย นับว่าคิดผิดไปมากแล้วนานเพิ่งจะรู้เรื่องของการบวชว่ายากละมาดกว่านี้เองต้องขอโทษปู่มากๆที่ได้ละลาบละลวงปู่โดยไม่รู้สึกตัวตอบปูป่นี่มันชีวิตเดินตายจากการบวชแล้วปฏิบัติธรรมมาโดยลําดับนับแต่ขั้นเริ่มแรกบวชด้วยมาที่พอลืมหูลืมต า, าปากพูดไดบ้างกว่าตอนแก่แล้วนี่แหละจะเพราะกิเลสมันแก่ไปโดยสังขารเราหรือว่ามันตายไปหมดทั้งโคตรทั้งแส่ของมันแล้วปู่ก็เข็ดลาบถ้าเบื่อจะตามหามันอีก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 แต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจในเหตุผลอัธรรมอยู่แล้วก็มีทางจะรู้จะเห็นและเชื่อได้ในสุดพิสัยข้อสําคัญเราเป็นลูกชาวพุทธที่ทรงประกาศสอนธรรมไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยําตามหลักแห่งสวางอธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดพลาดพลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้แต่น้อยจึงควรยกศาสนาเป็นหลักใจไว้จะดีกว่ายกความสงสัยไปทำลายใจส่วนความเข้าใจว่าบาป บ, บุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มี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 ดังพระวจนะของเราก็เคยทราบในป ร, ประวัติว่าทรงบำเพ็ญทดลองหลายวิธีจึงทรงพบเงื่อนแห่งความถูกต้องอันเป็นสายทางที่จะให้ตรัสรู้ธรรมวิธีนั้นคืออาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยมีพระสติปัญญาสังเกตในวิธีการที่ทรงบำเพ็ญจนปรากฏผลเป็นความสงบเย็นและแน่พระทัยว่าถูกทางปฐมยามก็ทรงบรรลุปุกเพนิวาสานุสติญาณ เราลึกชาถอยหลังที่ไม่เคยบรรลุมาก่อนได้ประจักษพระไทยหายสงสัยโดนไม่โดยไม่มีใครบอกเล่าปทิมยามก็ทรงบรรลุจุตูปปาตยานทรงรู้ความจุติและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณได้โดยไม่มีใครบอกเล่าพอปัจทิมยามก็ทรงบรรลุอาสวัคยาญานญาณความรู้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะคิเลททั้งมวลไม่มีหลงเหลือในพระไทยเลยพร้อมด้วยวิชาสามอภิญญาหกเป็นต้น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 มาประกาศทำสอนโลกและทรงเป็นศาสตาเต็มองรู้เห็นทำเต็มพระไทยไม่ได้มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่ในพระไทยบ้างเลยแม่น้อยดังนั้นสิ่งที่รู้ที่เห็นและที่สั่งสอนจึงเป็นของจริงเต็มส่วนควรแก่การปฏิบัติตามด้วยความหายสงสัยกังวลอย่างยิ่งถ้าลงพระพุทธเจ้าเป็นที่ลงใจเชื่อไม่ได้แล้วจะไปเชื่อใครได้ในไตรภพคนคนนั้นก็นับว่าหมดหวังและหมดทางเยียวยารักษาถ้าเป็นโรคกสุวิสัย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 ไม่มีอะไรจะเป็นจอมหลอกลวงสัตว์โลกอย่างแยบยลยิ่งกว่ากิเลสชนิดต่างๆความมุ่งหมายของกิเลสเป็นอย่างนี้คือถ้ามันจะบอกสัตว์โลกตามความจริงว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมีสัตว์โลกก็จะตะเกีกตะกายละบาปบำเพ็ญบุญเพื่อหลีกนรกไปสวรรค์นิพพานจากมันเสหมดมันก็จะขาดผลไรได้าจากสัตว์โลกอย่างพินาศขาดสูญฉะนั้นมันจึงปิดหูปิดตาปิดใจสัตว์โลกไว้อย่างมิดตัว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 ที่มันพาทำลายศาสนธรรมและทำลายจิตใจสารโลกมามากตัวมากแล้วปู่จึงไม่หลงกลมันไม่ตื่นมันแม้มันจะยกมาทั้งโคดแส่มาด่าปู่ปู่ก็ไม่โกรธนอกจากเจ้าพระเคราะขบขันเพลงกล่อมของมันที่ร่ายออกมาเพียงตื้นตื้นผิวเผินนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้ลึกซึ้งกว่างกวางและเพราะจับใจเหมือนศาสนธรรมอันประเสริฐเลิเลอเหนือโลกทั้งสมเลยทั้งเป็นธรรมรือขนสัตว์โลกขึ้นจากนารกเมืองคนและนรกเมืองผีที่กิเลสตบตาปิดใจว่า สิ่งเหล่านี้ไม่มีมามากต่ามากแล้วบาป บ, บุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมกิเลสทุกประเภทจะเสกสรรให้มีขึ้นและจะลบล้างทําลายให้ฉิบหายไปไม่ได้เพราะเป็นของธรรมชาติและมีอยู่ดั้งเดิมปราศจากสิ่งใดผู้ใดไปก่อไปสร้างไปปรุงไปแ ต, แต่งไปลบล้างทําลายบาป บ, บุญนรกสวรรค์นิพพานอยู่เหนืออํานาจกิเลสที่จะไปอาจเอื้อนทําลายได้แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนล้านหลานและชาวพุทธผู้เรียนและปฏิบัติธรรมอันเป็นธรรมียำนาจ และสว่างกระจ่างแจ้งเหนือกิเลส ท, ทั้งปวงจงเรียนและปฏิบัติให้ถึงใจถึงธรรมอย่ามัวโม่มสุมอยู่ในห้องขังของกิเลสให้มันกดขี่บังคับและร้องเพลงขลับปลอมให้เคลิ้มหลับไม่มีวันตื่นจากหลับจากหลงอยู่ร่ําไปนะักจะเสียใจให้ตัวเองภายหลังว่าภายหลังจะว่าปู่ไม่บอกปู่ใ้เห็นทุกข์ที่มันโยนให้แบกหามอย่างล้นหัวใจไม่มีที่เก็บมาแล้วกลัวละหลานและชาวพุทธทั้งหลาย จะแบกหามทุกที่มันโยนมาให้แบกหามไม่มีวันปรุงวางต่อไปตลอดอนันตการและไม่มีวันจบเส้นลงได้จึงได้ตือนแล้วตื่นเล่าราวกับว่าตะโกนบอกว่าอันตรายอันใหญ่หลวงมาแล้วรีบพากันหาที่หลบภัยโดยด่วนเดี๋ยวอันตรายจะเข้าถึงตัวที่หลบภัยคือศีลทานการกุศลทุกประเภทจงจับให้มัน่นถ้าอยากแคล้วคลาดปลอดภยัยอย่าดื้อรั้นเชื่อกิเลสจนไม่ยอมฟังเสียงทำตะโกนบอกจงรีบฟังรีบตั้งตัว ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่ปัดนี้จะไม่เสียการเวลาไปเปล่า